بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد و ع ل عليه وصحبه أجمعين رضيت بالله رب وبإسلام دينا وبمحمد رسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เดี fi, ok ๋ยวเราเริ ok ok oh, ok ่มนะะส ورة ฟาติฮาอัลฟาติฮก่อน أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 อียาแกนะอับดุวอียาแกนะสตาอินอิฮดีนัสราะตัลมุสตักอิมสราะตัลทั้งที่นั้นอันงามต์ عليهم غير ا ل م و ب عليهم ولا ضالين. อ آ م ม ن ฉันอุ้มด้วยพระเจ้าจา ل ل าตาน ل ี่ร้ายกาจฉันไม่เห็น ل ู ي ن ي, ي ز ม و ن أنفسهم بللله يزكي ما يشاء ولا يظلم ف ا ت ل л а كيف يفترون على الله الكذب อ الك ัลลอฮิลคาบิบว่ ألم ت ر َ إلَّا الَّذينَ أُوتوا ن ص ي ب ا مِنَ الْكِتابِ يُمنونَ ب ا الك ِ ا ل ْ ج ِ ب َِّ وَثِّق าะกุตอยู่มินูนัมิล ويقولون للذين كفروا ه و ل ا ء هؤلاء أهدا من الذين ม ي หนَท م ่จะไปไหน อุล่าイคั ذ ي ل ن ل นั ه นลา م หัมมุลล ع َ ن ามียَลณิลล ل ห์ฟัลนทจิ ل ลาหุนาซีร่ ا มาดูความหมายนะครับมาดูความหมายอ่านท่ดูดินลตั้งแต่อายะที่4ี่สิบเกหหจะอยู่ในเรื่องราวของการที่เอาล้อสุบฮานาหัวตายและทรงตำหนินะศัตรูของผู้ศรัทธาศัตรูของมุสลิมศัตรูอันดับหนึ่งเลยพี่น้องก็คือชัยตอนอันนี้ไม่มีการเซ็นสัญญาพักศึก ไม่มีวันที่มันจะเป็นมิตรกับเราได้เพราะอัลลอฮ์บอกมันคือศัตรูอันชัดเจนมันนำหน้าเลยอ่ะามันตั้งปฏิธานเอาไว้เลยตั้งแต่วันแรกนะที่มันถูกถูกอัภปปะหินะถูกไล่ออกจากความเมตตาจากอัลลอฮ์มันก็จะหาสมุนหาเพื่อนไปอยู่กับมัน่านะที่ไหนในนรกนะอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ตาม นะตามพวกเจ้าเนี่ยก็คือคนที่ตามอารมณ์ไฟตามแต่ถ้าแน่นอนถ้าเราอยู่ยึดยึดโ ย, ย, ย, ยงกับศาสนาของอัลลอฮ์แน่นอนว่าไม่มีใครไปตามชฉยตอนอย่างแน่นอนนะแต่บางทีมีหลุดนะมีหลุดเวลาโกรธเวลาอะไรเงี้ยนะครับบางทีอาจจะหลุดได้แต่อย่าหลุดยาวบางคนหลุดยาวเลยหลุดแล้วหลุดเลยไม่เอาหลุดไปก็ต้องดีบ <c oughs> เกี่ยวกับมา <c oughs> ดึงกลับมานะขณะนี้ศัตรูอีกประเภทหนึง่ง อ่าศัตรูประเภทหนึ่งเนี่ยที่เป็นมนุษย์แล้วก็มองเห็นด้วยก็คือศัตรูที่เป็นชาวยโฮูดนะซึ่งอัลลอ์เนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าอัลัมตารอีและเลดีนยูซักกูนอันฟุซาฮุมเจ้าตรงนี้หมายถึงมูฮัมหมัดมิได้อัลัมตารอเป็นคำถามนะมิได้มองดูบรรดาผู้ที่ทำตัวเองให้บริสุทธิ์ดอกหรือพวกไหนเนี่ยพวกยโฮูด มักจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้สาเหตุที่พวกนี้ไปยึดครองอิสราเอลเนี่ยนะเขาบอกว่าไงรู้ป่ะเขาบอกเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้โยงไปนึกสมัยน บ, บีมูซานอ่าเป็นที่เดินที่มูซาเคยมาอาศัยอยู่ที่นี่เา็าเรียกแผ่นดินแห่งพันธสัญญาก็เลยมายึดเขาอ่า ก็เลยบอกว่าไม่ผิดหรอกถ้าเราจะไปไล่คนปาเลสไตน์ออกจะไปเผาบ้านเขาไปไล่เขาออกไปฆ่าเขาไม่ผิดเพราะอะไรล่ะเพราะพวกเรานี่เป็นคนที่พระเจ้าสัญญาไว้ว่าจะต้องอยู่ตรงนี้จะได้มาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เป็นเจ้าของเลยนะพวกนี้มันมันคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ยาฮูดีบางกลุ่มเนี่ยคิดว่าทั้งโลกเนี่ยเหมือนกับเดรชาเลยนะมีอยู่พวกไปม้วพวกเขาเป็นมนุษย์อย่างเดียวคิดอย่างงั้นเลยดูถูก มนุษย์อีกทั้ทงหมดเลยที่ไม่ใช่ยะฮูตคิดว่าตัวเองประเสริฐสีบริสุทธิ์กว่าเพื่อนส่วนนาซารอรเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นลูกผองพระเจ้าเหมือนกับพระเยซูและก็บอกว่าพระเยซูเนี่ยมาล้างบาปให้พวกเขาหมดแลว้วดังนั้นเขาจะทําบาปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีการล้างบาปไปแล้วตั้งแต่ตอนที่โดนตึงไม้กางเขนซึ่งพวกเราเชื่ออีกแบบหนึงว่านาบีอีซาลอลิสลามไม่ได้ถูกถึงไม้กางเขนแต่ประการใดไอ้นั่นตัวปลอมหน้าเหมือนหน้าคล้าย แต่ที่นบีอีซาอย่างที่แท้จริงก็คือถูกเอาล้อยกไปขึ้นอยู่บ น, บนบนบนฟ้าบนชั้นฟ้าอยู่ยังไงว่ลล า, ว า, าลอยหัาลำแต่ว่าจะลงมาอีกทีหนึ่งในช่วงท้ายของวันกียรมะนะครับอ่ะคราวนี้พวกเขาเนี่ยกล่าวอ้างว่าตัวของเขาเนี่ยบริสุทธิ์อย่างนั้นบริสุทธิ์อย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อัลลอฮ์บอกว่าบลาริลล า, รลาขอโทษทีบาริลลาไม่ได้หรือไม่ใช่อัลลอฮ์ต่างหาก อัลลอฮูยุักีอัลลอ์ต่หาที่จะทำให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไมยย่ยาชฉบริสุทธิ์คนที่จะบริสุทธิ์ไม่ใช่มนุษย์บอกกันเองแต่อัลลอ์จะเป็นผู้ทำให้คนคนนั้นบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าตัวเองแอบแอบอ้างเนี่ยฉันเนี่ยปัสจากบาปเลยฉันคนดีงั้นไม่ใช่ต้องมาจากการที่อัลลอ์บอกเวลายุสลามูนี่ยฝตีลาและพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรม แม้เพียงขนาดของมเมล็ดอินทรพล์ลนะก็คืออัลลอฮ์จะตอบแทนทั้งหมดนะครับทั้งคนที่ทรยศ์ต่อรพระองค์ทั้งคนที่ดีต่อคนที่ทําดีต่อพระองค์วักต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าอุนซุรไกฟายัฟตารูน่าละละอัลลอฮิลกะดิบอุนซุรแปลว่าจงพิจารณาหรือว่าจงมองดูอย่างไรเล่าที่พวกเขาอุปโลงความเท็จให้แก่อัลลอฮ์ นะว่ากฟาบีฮีอิสมามมูบีนาและเพียงพอแล้วที่ความเท็ศนั้นจะเป็นบาปอันชัดเจนในสุระอนบกรออายะที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดเขาบอกนะอันนี้หมายถึงว่าพวกนี้จะบอกว่าไม่มีใครจะได้เข้าสวรรค์เลยนอกจากคนที่เป็นยิวและเป็นคริสต์เท่านั้นเขาอ้างแบบนี้นะอ่าแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่ที่บอกว่าพวกนี้อุปโลกก็คือพวกเขาเนี่ยทำตัวเองให้บริสุทธิ์โดยการอ้างว่าเป็นบุตรของอัลลอฮ์หรือเป็นคนรักเป็นคนรักของอ AH. ัลลอฮ์นะโดยที่เขาพูดว่าไม่มีใครเข้าสวรรค์เลยนอกจากคนที่เป็นยยฮูและเป็นนาซอรอเท่านั้นนะและคำพูดที่บอกว่า แม้ว่าเขาจะถูกเผาในร ก, ก, นรกแต่ก็เพียงแค่วันที่ถูกนับไว้เคยบอกไปแล้วเออที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นการพูดแบบโกโหกทางนั้นเลยพี่น้องครับอะต่อมาอายาที่ห้าสิบเอ็ดอลัมตารอขึ้นเหมือนกันเลยนะอาลัมตารอแปลว่าเจ้ามอหมัดไม่ได้มองดูบรรดาอิ ล, ล, ละลาดีนะบรรดาอูตูนาซีบัมมินัลกีตาบ มีได้มองดูบรรดาผู้ที่ได้รับส่วนหนึ่งจากคำพีดอกหรือโพนี้เป็นยังไงยุมินูน่าบิลจิบติวตตอกูุตอันนี้ต้องอธิบายนิดหนึ่งนะครับอันยิบคืออะไรตอกุนะพวกเราน่าจะรู้นะตอกรุพวกเขาเนี่ยทําการศรัทธาต่อยิบตี้แล้วก็ตอกูุอ่ายิบตี้นี่คืออะไรยิบตี้ มูฮัมหมัดบินอิบนุอิสฮากได้กล่าวว่าเอามาจากฮัสซานอิบนูฟาอิดและก็อุมัดบินคอตอฟไล่มาเรื่อยๆคําว่ายิบตีเนี่ยหมายถึงไสยศาสตร์ครับอ่าความหมายแรกเลยนะยิบตีก็คือพวกเล่นของพวกนี้ก็จะบูชาพวกคนที่ทําของคนที่เล่นของตอนนี้มีถูกเผยแพร่ในเฟซบุ o กนะเป็นกีโตย่คนหนึง่งใส่เสื้อกุโรงใส่หมวก เออนี่ผมเพิ่งเซฟมาใส่หมวกใส่กระปิยอนะนะยกมือขอดูโอนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเหรียญขังเขียนว่าอัลลอฮ uh อุดมุฮัมมัดอัาแล้วก็เขียนว่าโตยีสาสเซนริตทำมนทำาสนีนี่อยู่ทำน้ำมันน้ำมันอะไรนะน้ำมันภาวสนี ขายทำเครื่องรางขายขายกันใน Facebook เลยชิริกเลยแต่เขาบอกเป็นของแขกของแขกแต่ว่าลูกค้าเป้าหมายเนี่ยเขาไม่ได้ขายเฉพาะมุสลิมนะเขาขายหมดแหละคนที่เล่นศยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ซื้อกันหมดแหละแต่มีมุสลิมบางคนที่ยังไม่รู้ศาสนาก็ไปพึ่งพาแล้วก็บางคนก็ใช้ใช้คำว่าอะไรนะรุกยะ เออถ้ารุกยาเนี่ยใช้ได้นะพี่น้องแต่ว่าบางทีเฉนก็งงว่าแล้ววิธีการเป็นยังไงอะลูกยาเขาเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูก่อนอ่าบางทีใช้เขียนว่าน้ํามันรุกยาขายอะไรก็ไม่รู้เฉนก็บอกว่าอันตรายนะคือถ้าไม่รู้วิธีเนี่ยเขียนแค่รุกยาแต่ว่าวิธียังไงอะซึ่งตอนเนี้ยมันมีการเผยแพร่อยู่พวกที่เล่นของสายศาสตร์นะครับแล้วก็จะมีทุกขั้นตอนเนี่ยคนที่ทำเนี่ยก็ใส่เสื้อกุโรงแบบกีใส่หมวกนี้เลย แล้วก็มีการเขียนดูอาแล้วก็มีการเขียนอักขระลงไปต่างๆนะพึ่งซึ่งพวกเราเนี่ยไม่ไ ม, มีปัญหาเราพวกเรารู้อยู่แล้ววัยนิชริกเล่นสยาศาสตร์เล่นของแต่ก็เป็นห่วงคนที่อาจจะศาสนาอ่อนหรือเพิ่งเปลี่ยนศาสนาเข้ามาบางทีก็เห็นว่าอ๋อมุสลิมเราก็มีด้วยหรอจริงๆอิสลามเราไม่มีนะครับเรื่องพวกนี้ไม่มีเลยนะซึ่งยิปตี้ก็คือสยายศาสตร์นะแต่ถามว่าสยาศาสตรม์มีจริงไหมมีจริงปะ มีจริงนี่เพราะว่าคุณอานข่าวเอาไว้แต่ไม่ให้เราไปไปไ ป, ไปยุ่งเกี่ยวกับมันอ่าให้รู้ถ้าเกอดว่ามีจริงนะไอ้คนเล่นของเนี่ยมันมีแต่อลแล้ะก็ให้ลูกยามาในการปกป้องคุ้มครองโดยการกล่าวอ่านอัศการยามเช้ายามเย็นกุ่สามกุนก่อนนอนอายะกุซีและมีคนทํศิลปศาสตร์คนรัสเซียออกรายการอันนี้ดังมากเลยเขาเอา คนที่ทำศิสศาสตร์มาออกรายการหน้าตาหน้ากลัวเหม pues ือนมุกเมมดเลยนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำศิ亚洲ศาสตร์ทำของใส่ทำคุณใส่ใส่และมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ทำแล้วไม่สำเร็จคือลูกค้าเขามาจ้างไงไหมให้ทำใส่คนนั้นคนนี้เาก็ทาตามเงินที่จ้างมาแต่เขาบอกว่ามีลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งทำทีไรเนี่ยโอกาสสำเร็จน้อยมาก เข MM. าก primero, 네็ถามพิธีกรก็ถามลูกค้ากลุ่มไหนแหละที่คุณทําคุณใสแล้วไม่สําเร็จเขาบอกกลุ่มลูกค้าที่เป็นมุสลิมทําไม่ค่อยสําเร็จเพราะเขามีดวอาเขามีละหมาดเขามีซิกเก็ตมีอสการ์ยามเช้าไปส่งไปแล้วมันไม่สําเร็จมันมีเกาะพงกันหมดเลยนี่เขาเขาพูดเป็นภาษานี่เลยนะภาษารัสเซียเขาเลยเป็นคลิปแชร์กันในโลกออนไลน์ว่ามุสลิมเราเนี่ยถ้าอยู่ในหลักการอิมานเนี่ย โอกาสที่จะโดนคุณใส่โดนอะไรเนี่ยยากมากเพราะว่าเรามีมีเกาะป้องกันเราละหมาด ก, กันฟั ด, ดู5้าเวลาเราอ่านอัลกรุรยกเว้นมุสลิมพวกบางบางคนอ่าบางคนที่ไม่ละหมาดไม่สนใจก็อันนี้ก็โดนเหมือนกันนะอันนี้เล่าให้วิน้องฟังว่าในโลกเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกับเหมือนสมัยก่อนแล้วลึกลับเดี๋ยวนี้ในกงรายการเขาพาไปดูหมดนะเอาเอามาสัมภาษณ์มาอะไรก็เป็นข้อเท็จจริงว่ามุสลิมเราเนี่ยถ้าเราอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ดูแลป้องกันทั้งหมด นะครับส่วนตอรูดเนี่ยโอมาบินคอตอบอกว่ามันคือไชตอนคนที่บูชาซ า, า, นะ า, าตานมีนะแล้วที่บูชาซาตานมีนะพี่น้องทําเป็นดูแพะทำเป็นอะไรแล้วก็เอาเลือดมาศสาดอะไรเงี้ยพวกเนี้ยพวกบูชาซาตานนักร้องที่เป็นพวกร้องล็อกๆอกเนะ่ยเขาจะทําสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นการบูชาซาตานนะพวกเราไม่รู้ไม่ใช่อย่างงี้นะอย่างคาราบาลเนี่ย <c oughs> สองนิ้วเนี่ยทําอย่างเงี้ยแล้วก็ทําแบบอะไรเงี้ย เจาะนู่นเจาะเนี่ยพวกเนี่ยเป็นพวกพวกบูชาซาตานเอาต่อม า, อ, าอีกคำหนึง่งความหมายอันหนึ่งนะยิปตี้เนี่ยความหมายก็คือจเจวิตหมอผีผู้ทํศิ亚ศาสตร์เวทมนคาถาหรือสิ่งที่คล้ายๆกันส่วนอิบนูอบูฮาติมเนี่ยบอกว่าตอกูตก็คือหมอผีที่ใช้ตอนเข้าไปสิงสู่อ่าพวกหมอผีที่ใช้ยิน ในการช่วยนะครับการรักษาสมัยก่อนเนี่ยมีสองแบบนะแบบด้วยลุกยะใช้กุรานรักษาเรียงเพียวแล้วก็ใช้ยินรักษาเหมือนจะมียินมาเข้าก่อนแล้วก็พูดโน่นพูดนี่อันนี้ห้ามนะรักษาแบบนี้ไม่ได้นะใช้ยินมารักษาไม่โดยไม่ได้ส่วนตอกูดอ่าส่วนอัตตอูดเนี่ยอีความหมายหนึ่งก็คือชัยตอนในคราบมนุษย์คือตอกูดมีีที่ไม่มีชีวิตเลยก็คือต้อนไม้สิบคนไปกราบไหว้ รูปปั้นหินต่างๆคนไปกราบไหว้นี่ยเขาเรียกตอกรุตและก็ตอกรุตในคราบมนุษย์แปลว่าผู้ น, นั้นเนี่ยจะเรียกร้องให้คนเนี่ยกราบไหว้ตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าให้คนมากราบไหว้ตั้งตัวเป็นพระเจ้านี่ก็เรียกตอกรุเหมือนกันมีคนมากราบสรรเสริญยืนยอนเนี่ ย, เ, ยเนี่ยตอกรุตเลยและตอกรุตเนี่ยก็จะอยู่ในไฟนรกด้วยนะเอาเราจับหมดลงไปในนรกหมดนะ ส่วนนีมามาลิกบอกว่าตอกูธก็คือทุกสิ่งที่ได้รับการบูชานอกจากอัลลอฮ์ทุกสิ่งเลยถ้าสิ่งนั้นได้รับการบูชาจะเป็นมนุษย์จะเป็นหินเป็นต้นไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถูกบูชาเนี่ยเรีย ก, กว่าตอกูธหมดนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาเพราะพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าที่คู่ควรเท่านั้นในการที่เราจะเคารพอิบาร์ดะต่อพระองค์ที่เหลือนอกนอกที่เหลือเนี่ยไม่มีแล้วนะไม่มีหุ้นส่วน ใ, นใดๆไง คุณเจ้าหุ้นส่วน ใ, นใดๆมามาม า, มาหุ้นสว่วนมาเกี่ยวกับรอบไม่ได้อ่ะพวกนี้หมายถึงพวกชาวคัมพีเนี่ยได้ไปศรัทธาต่อจิบอจิบตีวตอรูดวายกูลูนาลิลลลดีนกาฟรูอัลลอฮ์บอกต่อว่าก่าวแกบันดาพูดที่ปฏิเสธศรัทธ า, ว, า, ว, า, า, า, าว่าพวกเขาเหล่านี้แหละฮาอุลาเนี่ยแปลว่าพวกเขาเหล่านี้แหละอะดามินัลลีนะอามานซาบีลาคนเหล่านี้แหละ ที่อยู่ในทางที่เที่ยงตรงกว่าคนที่ศรัทธาอีกเขากล่าวว่าที่เขาไปบูชายังอื่นเนี่ยนะเขาอยู่เขาเที่ยงตรงกว่าคนที่ศรัทธาต่อร้ออีกคราวนี้ที่มาตรงเนี้ยมันมาอย่างไงทำไมคำพูดนี้มาอ้าวมาดูมาดูมาดูเขาเรียกว่าซบับนูซูนนะรายงานจากอิกรีมาว่าหใยไอิมนูขอดอัดอออตอบและกาบอิมนูอัชรอ ได้มาเป็นชาวมักกะคนไหนชื่อกระอับนะมาเป็นชาวมักกะและพวกเขาก็กล่าวแก่เขาทั้งสองว่าพวกท่านนั้นเป็นชาวคำพีและเป็นผู้ที่มีความรู้ดังนั้นพวกท่านจงบอกให้เราทราบเกี่ยวกับพวกเราและก็พวกที่ขอ ง, ของกับพวกของนบีมุฮัมมัดคือพูดง่ายๆว่าในมักกะเนี่ยมีอยู่สองกลุ่ม กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นชาวกัมพีกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มของนบีมุฮัมมัดสุลต์ลฮวาไลห์หุสันลและให้คนกลางเนี่ยเป็นคนพูดหน่อยคือคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในสัพวกใจทั้งสองพวกนะเป็นพวกมุชริกแต่ให้บอให้คนที่มาถามหน่อยว่าระหว่างสองกลุ่มเนี่ยอันไหนดีกว่าเขาบอกว่าไงเขาก็บอกว่าอ๋อคนที่เป็น พวกชาวคัมภีเนี่ยเขาติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติเขาไม่เคยทะเลาะบาแว่งกันเลยนะแนนอนในกลุ่มยาหุดเนี่ยเขาก็รักใคร่สมกรมเกี่ยวกันถูกปะเวลาที่เขาทําบุญเขาก็จะเชื้อดอูดตัวใหญ่แจกจ่ายและแถมยังมีการบรินาบริการน้ําดื่มอีกเวลาคนมาทำฮัเพราะสมัยก่อนมีมาทำฮั์แล้วแต่ฮั์แบบเอาจเจวิตมาด้วยเอาแก่พงแก่ผ้าคือฮัทมันมีมาแต่สมัยนบีบรอยฮิมอย่างที่เล่าแล้วตอนหลังก็มีมาแต่มันเริ่มเละเทะหมด เอารูก ป, ปงรูก ป, ปันมาด้วยแต่พวกยโฮดเนี่ยที่เป็นชาวกัมพีเนี่ยตอนที่อยู่ที่มักการเนี่ยเขามาบริการน้ําให้ปล่อยฉเฉลยนะเออแต่กลุ่มของมุฮัมมัดเนี่ยเป็นกลุ่มที่ตัดขาดญาติมิตรงงไหมอิสลามเรา ส, สั่งให้ตัดขาดญาติว่เปล่าไม่ได้ตให้ตัดขาดกับญาติแต่พอเวลานาบีประกาศศาสนาเนี่ยญาติของนบีประกาศตัดไง ไม่รับนบีเลยอย่างใครอะอบบูละฮับหรือบบูย์ฮันนะ่ยที่เป็นญาตินบีเนะ่ะผมจําสับสนนะน ะ, ะเขาเป็นญาติกันนั่นแหละเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนะี่ยพอนบีประกาศก็ตั้งตนเป็นศัตรูนี่ตัดญาต์ไงเขาค น, คนมองเข้ามาก็เห็นไหมพวกนบีมองมันเนี่ยไม่คบกับญาติและแถมในเวลารบกันกองทัพบางทีพ่อกับลูกก็อยู่คนละฝัง่งแต่ที่ที่ตัดตัดญาต์เนี่ยหมายความว่าเขาตั้งตนเป็นศัตรูก่อนล้อ แต่สมมติเขาไม่ได้เป็นศัตรูต่อรอดเนี่ยก็ไม่ได้ตัดก็ไปมาหาสู่กันได้เหมือนกับคนที่มารับอิสลามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอรับอิสลามเนี่ยคนคนที่คนที่เป็นคนต่างศาสนกตอนนี้มีความเข้าใจแบบว่าถ้าเป็นมุสลิมแล้วจะโอ้เขาจะไม่เรียกพ่อแม่แล้วจะไม่นับถือว่าเป็นย่อเป็ น, ปนม้าแล้วไม่ใช่ยังเป็นเหมือนเดิมน่ะแหละ ย, ยังทําดีได้เหมือนเดิมแต่เรื่องศาสนาแค่แยกกัน เ่าจะไปทําบุญตักบาตรด้วยกันไม่ได้เออนะต้องแยกกันหรือเขาจะชวนเข้ามามาละหมาด ก, กาับเรามันก็ไม่ใช่อ่าแต่เขาจะมาเยี่ยมเราไปมาหาสู่กันไม่หว่าอยู่แล้วทําไดย้ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ยังเป็นญาติกันอยู่ไม่ได้ตัดญาติแต่พวกคนที่พอเห็นการเปลี่ยนแปลงของท่านนบีเนี่ยพอประกาศคำว่าแล้วเขาตัดนบีทิ้งเลยตัดญาติแต่คนเขามองมาเขาไม่รุ้ว่าใครตัดเขาก็เลยบอกว่าของกลุ่มมุฮัมมัดเนี่ยเป็นพวกตัดญาติขาดมิตรเข้าใจนะ อันที่สองมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผู้ลักขโมยเผ่ากีฟาร์นะที่ขโมยข้าวของฮัตนะและปฏิเสธตามเขาตรงนี้ผมคืออย่างนี้หมายถึงว่าคนไม่ดีสมัยก่อนใช่ไหมเคยไปขโมยแต่พอเขามาเปลี่ยนรับอิสลามเนี่ยก็ถือว่าล้างไง แต่คนพวกเนี้ยยังติดอยู่กับเบื้องเดิมว่าเฮ้ไอ้คนเนี้ยมันเคยเมื่อก่อนเป็นหัวขโมยก็ไปอยู่กับพวกเขาเนี่ยไปอยู่กับพวกของนบีมูฮัมหมัดเนี่ยมีพวกคนไม่ดีต่างๆตั้งเยอะแยะเออคือไม่ได้ดีแต่แรกพู ด, ดง่ายนะแต่ตอนหลังมารบรรพ์อิสลามก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเขาก็เลยบอกว่ากลุ่มพวกเยฮูดเนี่ยเห็นไหมดีกว่าตั้งเยอะพฤติกรรมดีกว่าของมูฮัมหมัดเนี่ยไม่ดีอัลลอฮ์ก็เลยลงคำภีร์ลงมาเลยว่าไม่ใช่เลยเปล่าเลยพวกอาลุนกิตามนั้น เป็นเป็นพฤติกรรมที่น่าตำหนิมากกว่าผู้ศรัทธาตั้งหากที่เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ให้ความบริสุทธิ์นะครับนี่คือคนภายนอกที่มองมุสลิมนะและก็มองอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งอ้าวต่อมาครับอายะสุดท้ายนะอูเลอีกันเลดีนาลานาะหุมุลลอัลลอฮ์สรุปแล้วนะครับบอกว่าชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่อัลลอฮ์นั้นทรงสาบแช่งขาวพวกไหนพวกเยฮูดนะและผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงสาบแช่งเขา ว่าไม่ยั่งอานนล้นละผู้ดใดที่อัลลอฮฺสาบแช่งเขาฟะลันตาจีดะละฮูนาซีรอพวกเหล่านี้ก็จะไม่พบนาซีรอหมายถึงการช่วยเหลือจะไม่พบการช่วยเหลือใดๆสําหรับเขาเลยในวันกิยามะจะไม่มีการช่วยเหลือใดๆนะครับนี่ก็คือกี่อายะนะหนึ่งสองสามสี่อาะที่พูดถึงเรื่องเยฮูดที่อ้างตัวเองว่าเป็นคนที่บริสุทธิ์ เป็นคนที่ดีเป็นคนที่เลิศประเสริฐศรีแต่จริงๆไม่ใช่เนาะคนที่จะประเสริฐคนที่จะดีได้เนี่ยต้องเป็นบุคคลที่อลัลลอฮ์นั้นได้กล่าวเอาไว้ว่ามีลักษณะแบบไหนไม่ใช่มนุษย์มาพูดกันเองนะอ่ะห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้านะครับอัลฮุมนาซีบุม มิหนั้นมุลกิฟะอิศร์ละยุตุนัสนาคีรอ อัลยาซุดุนั้นแน้ซัَงเลَัต <ông> ท <pronunciation vient> ่านุ่มุลลอห์มีฟ ض ลีฮูมีฟับลِดีมากครับ ฟากดั่งอาทินาอาลาอิ ك อรอฮิมะลขิตาบาวลฮิห มุลคัน عظيمة فمنهم من آمن به ومنهم من, من صدع ว่ากับบิดาหันนามสัยรออัมตรงนี้แปลว่าหรือนะอัมละหุมหรือว่าพวกเขาเนี่ยนาซีบุมแปลว่ามีส่วนอ่านาซีบุมเนี่ยแปลว่ามีส่วนได้รับ มีนั่นมุลก็คือมีส่วนใดๆจากอำนาจหรือว่าพวกเขาเนี่ยมีส่วนได้ใดๆจากอำนาจหรือนะอันนี้ก็หมายถึงว่าไม่ไม่ใช่ใช่ไหมฟะอีดะลายุตูนนาสนากีรอดังนั้นพวกเขาก็จะไม่ให้แก่พวกแก่คนอื่นแม้เพียงแต่บนมเมล็ดอินดพะลัมคำว่านากีดเนี่ยแปลว่าจุดหนึ่ง ที่อยู่บนเม็ดของอินพาลัมคือนิดเดียวอะ่ะเออจุดนิดเดียวคือเวลาสำนวนอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นที่รู้จักในในในในยุคนั้นนะเพราะว่าระหว่างต้นอินพาลัมก็ดีเม็ดอินพาลามผลเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนอาหรับอยู่แล้วอ่าทีนี้ตรงนี้เนี่ยพูดถึงความตระณี หรือความขี้เหนียวของชาวยิวสองอย่างนะที่ยาฮูดเนี่ยมีเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือความตรณีอันที่สองก็คือความอิจฉาซึ่งเป็นสาเหตุที่เขาทําไมไม่ยอมรับว่าน บ, บีมูฮัมหมัดนั้นเป็นศาสนาทูตเพราะความอิจฉาแต่ในวรรคแรกตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงความตรณีของพวกยาฮูดก่อนนิสัยของพวกเขาเนี่ยอัลลอฮ์ทรงตัดว่าหรือว่าพวกเขาเนะี่ยมีส่วนได้ใดๆจากอํานาจคิดว่า เป็นคนที่มีอำนาจใหญ่โตโหระมโหฬารเหรอไม่ใช่เลยข้อความนี้เป็นการเป็นคําถามแบบปฏิเสธเขาเรียกว่าอ f they harm inquiry ถามแบบปฏิเสธเป็นคําถามแหละแต่ว่าปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่หรอกซึ่งมีความหมายว่าพวกเขาไม่มีส่วนได้อำนาจใดๆต่อจากนั้นพระ อ, องค์ได้บอกถึงลักษณะของพวกเขาว่าเป็นคนที่ตรณีทีเหนียว ดังที่พระ อ, องค์บอกว่าเขาจะไม่ให้แก่คนอื่นเลยเวลาที่เขาได้อำนาจมานะยาฮูดเนี่ยเขาจะไม่ให้กับพวกอื่นเลยพูดง่ายๆเขาจะปกครองคนเดียวไม่แบ่งใครออสมมติเนี่ยในในประเทศหนึ่งเนี่ยมีการมีการอาศัยอยู่ของคนหลายกลุ่มมีทั้งกลุ่มชนนั้นมีความเชื่อนั่นมีความเชื่อ อ, อยู่นี้ถ้าเมื่อใดที่เขาได้รับการปกครองได้เป็นผู้นาแล้วก็เขาจะ ไม่แบ่งใครเลยแล้วก็เป็นจริงนะอิสราเอลเนี่ยลองไปดูแต่ผู้นําเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกในทันยาฮูสมัยตระลบกับเยเซอร์อลาฟัตเนี่ยนะเยเซอร์อราฟัตนะได้ตายไปตั้งนานแล้วแต่พวกนี้ยังวนอยู่เนี่ยวนกันอยู่ไม่กี่คนนั่นแหละเออแล้วพวกนี้เป็นไซออนิสนะพวกนี้พวกพว ก, พวกยาหุดสายรุนแรง อ, อ่ะพวกนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ยอมเลยไม่มีคําว่าเสียยาหุดเนี่ยไม่มีคําว่าเสียใครไปเซ็นสัญญาพวกเขาเนี่ยไม่มีคําว่าเสียเปรียบ อย่าพูดจะเอาเปรียบอย่างเดียวแล้วก็สังเกตดูแล้วกันว่าประเทศเขาเนี่ยมีไม่ทีใจคืนให้เวลาได้ไม่คืนมีแต่จเจ้าทุกวันนี้ยิ่งขยายเข้าไปใหญ่ขยายเข้าไปใหญ่อไม่มีคําว่าจะคืนให้หรอกนี่คือที่อัลลอฮ์บอกไว้ตั้งแต่อยู่ตั้งแต่เมื่อพันสี่รอปีวลฒนนิสัยของพวกนี้ไม่มีคําว่าเสียเอาแต่ได้ไม่มีคําว่าเสียนะแล้วก็แม้กระทั่งจุดนิดเดียวของ อิผาลัมเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเสียนะครับอ้าวต่อมาอายะต่อมาอัมยะซูดูนนสัสหรือว่าพวกเขาเนี่ยอิจฉาคนอื่นอาเลมาอาตาฮุมุลลอหุมินฟัตลีโดยเฉพาะสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานความกรุณาให้กับพวกเขาเหล่านั้นก็คืออิจฉามุสลิมนั่นแหละเห็นมุสลิมนั้นได้รับเนียมัตรต่างๆอิจฉาอาบ เพราะว่าคนอัลคนอาหรับเนี่ยเดิมเป็นประชาชาติที่ไม่มีรซูนนี่มีแค่นบีซ์มาอินใช่ไหมมิสมิแต่ถามว่านาบีซ์มาอินเนี่ยฉันบอกจริงๆก็ไม่ใช่อารับไม่ใช่เพราะว่ามาจากอิรักแล้วก็มากับนบีบรอฮีมมาจากอิรักแล้วก็มาอยู่ตรงตรงอะไรละ่ะตรงมกกะกาแล้วก็มาอยู่ก็มาแต่งงานมาสร้างครอบครัวคือนบีซ์มิเนี่ยมีมีภรรยาเป็นคนอารับแต่ตัวของท่านนาบีซ์มาอินไม่ใช่ ก็เป็นลูกของอิบรอฮิมก็มาจากนู่นอิรักนู่นนะมาจากอิรักมาจากปาเลสไตน์ตรงนู่นนะครับก็เลยบอกว่าเหตุที่พวกเขาเนี่ยตั้งตนเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์เนี่ยอันเนื่องมาจากความอิจฉาโดยเฉพาะสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ประทานความปรดปรานให้กับคนที่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ฟากรเดอตัย น, นาอัลอิบราฮิมย้อนไปในอิบรอฮิมแล้แท้จริง เราได้ประทานให้แก่วงวัน อ, อิบรอฮีมมาแล้วก็ย้อนกลับไปเลยั้งแต่ต้นเขาเรียก ว, ว่าอรอซูลที่เป็นอบุลอัมบียอ่านบิบรอฮีเนี่ยเขาเรียก ว, ว่าเป็นเป็นบิดาของบรรดารอซูลทั้งหมดนับนับแต่นั้นมาก็แยกออกเป็นสองสายที่บอกอิสมาอินมาอยู่ตรงนี้เป็นตระกูลของน บ, บี ม, มุฮัมมัดก็ย้อนไปจนกระทั่งถึงน บ, บีอิสมาอินแล้วก็บนบีบรอฮี ส่วนตระกูลยาฮูดก็ไล่ไปนั่นแต่อิสหักยะกูบอยูซุบไลกันขึ้นไปอิสหากก็เป็นลูกของใครยะอิสหักอิสหักก็เป็นลูกของนบีบรอฮิมเออแล้วก็ยะกูบก็เป็นลูกของอิสหากคน้ดแท้ไงเนี่ยมันเป็นสายที่คนเดียวกันเนี่ยแต่แยกกันคืออิสมาอินกับอิสหักเขาพี่น้องกันไงแต่แต่อิสมาอินก็มาเป็นต้นตระกูลของนบีมอมัดอิสหักก็เป็นตระกูลตระกูลของ ยูแล้วก็เป็นเป็นเป็นอิสหาแล้วก็ยะกูยะกูก็มีลูกอีกสิบสองคนก็เป็นต้ตนตระกูลยูทั้งสิบสองก็มีนบียูซุบอยู่ในนั้นด้วยเห็นไหมไล่ไปเรื่อยๆอ่ะก็ย้อนกลับไปเลยตั้งแต่สมัยคือจะพูดยังไงว่ามันก็นมาจากเคือเดียวกันเลย <laughs> ใช่ไหมก็คือนบีบรอฮิมก็บอกต่อว่านาบีสมาอินอ่ะขอโทษดินบีบรอฮิมเนี่ยแล้วก็อัลลอฮ์ก็ประทานคัมภีร์คัมภีร์ให้กับนบีบรอฮิมชื่อว่าซูฮุฟ สุหุฟุสุหุฟิอิบรอฮิมมูซาว่ามูซานะก็คือสุหุบอับบีบรอฮิมก็มีมีอะไรนะมีคำภีรและมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาวะอาไตนาฮุมมุลกันอัลีมาและทรงให้พวกเขานั้นมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่นะอับีบรอฮิมก็มีอำนาจในการปกครองหลังจากนั้นลูกหลานอับบีบรฮอบรฮิมก็เป็นต้นตระกูลของทั้งนบีมุฮัมมัดเราแล้วก็นบีอีสานบีมูซ่าไลายกันหมดนั่นแหละ ฟามินฮุมมันอาเนะี่ยและในหมู่พวกเขาเนี่ยแม้กระทั่งสมัยนบีบรอฮีมะนะก็มีทั้งคนที่ศรัทธาว่ามินฮุ่มมันซดดานฮู้แล้วก็มีบางคนที่ขัดขวางการศรัทธาไม่ชอบก็มีคือไม่ไม่ใช่แค่ว่าไม่ศรัทธาขัดขวางก็มีคือพูดง่ายๆว่านาบีต่างๆเนี่ยมีทั้งคนที่ศรัทธาแล้วมีพวกที่ไม่ศรัทธาแล้วขัดขวางก็มีนะ แต่ถามว่าคนที่เป็นศัตรูกับบรรดา น, นาบีต่างๆเนี่ยอลัลลอฮ์บอกว่ากาฟาบิจฮันนะมาซาอีรอเพียงพอแล้วที่อลัลลอฮ์จะจับลงไปในนรกที่จะเป็นเปลวเพลิงอันโชดช่วงนะครับอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะแค่บอกถึงความเคเดนนะนิสัยของยาฮูดที่เป็นคนตรนีทีเหนียวเมื่อได้แล้วไม่มีการแบ่งนะเขาจะห่วงแหนเอาไว้ ทั้งๆ ท, ง ท, งที่อำนาจกัมพูเชนของเขาอันที่สองเขามีความอิจฉาดิษยาแล้วเราก็ได้ไล่เรียงตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมแม้กระทั่งนบีอิบรอฮีมที่ทุกคนยอมรับกันหมดทั้งยาฮูดนาซอรอมุสลิมก็ยอมรับก็จะเห็นว่ามันก็มีคนที่ปฏิเสธก็มีไม่ใช่ว่าเชื่อกันหมดอ่ามีทั้งคนขัดขวางมงีจึงไม่แปลกว่านาบีมอมัดของเราเนี่ยทําไมล่ะถึงมีคนที่ขัดขวาง นะมีคนที่เป็นปตั้งตนเป็นศัตรูก็เป็นเรื่องปกตินะครับ อ, อ่านต่อนะห้าสห้าสตรงนี้จะไม่ได้มีเรื่องของฮุกกมต่างๆนะครับอาการอะไรไม่มีเลยพูดถึงนิสยัย ท, ท่าแท้ของเยาฮูเป็นยังไงถ้ามีฮุกกมปั๊บเนี่ยก็จะอธิบายยาวนิดนึ่งพอไม่มีฮุกกมอะไรก็เป็นเรื่องในประวัติศาสตร์นะครับ อินนั้ลท่านที่กัฟารูบีอ้ายตินาซาอูฟานุสลิห์มนาโร่กล่ามานัดยิด จูล د ดูหุมบัดดัลน้าหุมจูลูดันไก ت รอฮ์คุณจะไม่ได้จัดจูลูหุมบัดดัลน้าหมจลดัรอลี้กุอาดบ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ส ن َّ ا ت ٍ ت ุ ج ْมจันนติ ت َ ح จ ت ِิَ ا ا ل ْิَ ن อัน ا าร อัลลอฮฺดَนั่งในแห่อาบดะละหุมฟี วันุด اخل َุ ل ِิ ل ล ا อะมาดูความหมายนะครับบรรดาอินน่าแปลว่าแท้จริงอัลลอฮีผู้ซึ่งกาฟารูบรรดาผู้ซึ่งปฏิเสธบรรดาผู้ที่ปฏิเสธปฏิเสธอะไร บีอายาตีนาต่อบรรดาอายะของเรานั้นเซาฟาเราจะนุสลีหิมนารอเราจะให้พวกเขาเข้าไปในไฟนรกคำว่าเข้าไปเนี่ยแปลว่าไฟนรกเป็นไงอยู่ล้อมรอบนะเวลาเราย่างเนื้อเนี่ยย่างเนื้อเนี่ยบางทีเนื้อมันแค่โดนข้างล่างไอ้ข้างบนไม่โดนมันก็มันก็ยังแดงอยู่ วิธีให้โดนก็ต้องกลับไปแต่คำว่าเข้านรกนี่ไม่ได้อยู่ของบนหมายถึงไฟนรกเนี่ยเป็นไงล้อมรอบเลยอ่าแดงหมดเลยนี่ยิงว่าย่างเนื้อสุกด <c oughs> <c oughs> ีบอกสุก <c oughs> อยู่รอบเลยอยู่รอบอยู่รอบเข้าไปในไฟนรกนี่แปลว่าอยู่รอ บ, อรอบนะกุลละมานะดีจัดนี่ไง คาใดที่ผิวหนังของเขาสุกนะดีจัดกุลเลมานะดีจัดยูลูดูห่ดูหุม้มคาใดที่ผิวหนังของเขาสุกไม่เกียมบัต ด, ด้านนาหุ้มยูลูดันกอยรอฮาอัล ล, ลอฮฺเปลี่ยนผิวให้ใหม่อ่าเปลี่ยนผิวใหม่ซึ่งไม่ใช่ผิวเดิมใช่ต้องการที่จะเปลี่ยนผิวใหม่เพราะไอ้ผิวหนังนี่แหละ คือผมก็ไปดูนะไปค้นดูเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันจะมีเซลล์มีเซลแล้วก็มีค่าเรียกวา่าตัวรับรู้รสไอ้ค่าเรียกอะไรไม่ใช่รับรู้รสรับรู้ความรู้สึกคนที่เป็นอมาาัมพาตเนี่ยฮัลยารู้ไหมคนที่แบบครึ่งตัวหนึ่งที่แบบไม่รู้สึกตัวเนี่ยเอาเข็มไปจิ้มเนี่ยไม่รู้สึกนะอย่างคนที่เป็นโรคเรื้อนสมัยก่อนเนี่ย เรือนกินเนี่ยวิธีการเช็คก็คือใช้เข็มน่จิ้มถ้าจิ้มแล้วก็ยังไม่รู้สึกอะไรนะเต็มตัวเนี่ยเป็นเรือนแล้วผมไปดูในหนังเนี่ยเขาใช้เขาตรวจเรือนโดยการใช้เข็มจิ้มสแสดงว่าตรงนั้นมันเริ่มตายแล้วเซลตายปั๊บไม่รู้สึกนะคราวนี้ความเจ็บปวดเนี่ยที่เรารู้สึกกันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นผิวหนังภายนอก แปลว่าหนังกำพร้านี่แหละที่จะรับรู้ความเจ็บถ้าเาลาะหนังกําพ้าออกแล้วเหลือเนื้อข้างในเนี่ยตอมความรู้สึกความเจ็บไม่มีแล้วมันเจ็บแค่ของไอ้ไอ้ผิวหนังข้างนอกนี่แหละดังนั้นเหตุใดทําไมเอลเลาะใหม่เผาผิวหนังแล้วก็จบเพราะไอ้ความเจ็บมันอยู่ที่ผิวหนังนี่แหละเอลเลาะจึงต้องการเอาเอาเลาะจึงเปลี่ยนผิวให้ใหม่เออเปลี่ยนผิวให้ใหม่เพื่อให้ความเจ็บปวดนั้นมันอยู่ตลอดไป หนาไหมอ๋อหนาคืออย่างงี้ <c oughs> ในในวันกิยามัตนะคนที่ตกนรกเนี่ยอัลลอฮฺจะขยายตัวให้ทุกอย่างจะใหญ่โตมโหฬารก็บอกว่าฟันเนี่ยเท่ากับภูเขาหุ้ดนะฟันเนี่ยฟันเนี่ยเหตุที่ให้ใหญ่เพราะว่าต้องการที่จะให้ผิวหนังเนี่ยมันได้รับความเจ็บปวดเออท ร, ทรมานให้เยอะคือแทนที่จะเจ็บแค่นี้ไหมใหญ่ขึ้นก็เจ็บมากขึ้น แล้วก็ต้องแล้วก็แล้วก็มีการขึงคุตมะนี่เป็นนรกที่มีการขึงเพื่อที่จะให้ผิวการไหม้เนี่ยมันไหม้ไปทุกส่วนทั้าสมมติเราหุบหุบรักแดเนี่ยบางทีตรงนี้ไม่ไหม้ขึงไว้พอขึงปุ๊บไหม้หมดเลยตึงเอาไว้ตรึงเอาไว้เพื่อจะให้ผิวหนั ง, นงในดวงไหม้หมดครบหมดอันนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกนะนี่เรืน่ากลัวนรกเนี่ยบัดดัา้นนาเอาล็อเปลี่ยนผิวให้ตลอดการนี้ผมก็มาดูต่อว่าคําว่าบัดดั้นนานเนี่ย อัลอามัสบอกว่าเอามาจากอิ ม, มนุอุมัดนะบอกว่าเมื่อผิวหนังของพวกเขาเนี่ยถูกไหมอัลลอฮ์จะเปลี่ยนผิวหนังใหม่ให้เป็นสีขาวเหมือนสีของกระดาษเลยอ่าผิวใหม่ผิวใหม่ห ม, มาไม่อีกอบูฮะติมบอกว่าเมื่อมันสุกแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ไอผิวที่สุกเนี่ยมันเข้าไปข้างในซึมเข้าไปข้างในแล้วก็ไอผิวข้างนอกก็กลายเป็นผิวหนังใหม่เข้าใจไหม คือเหมือนกับอย่างงี้พอมันไหมไหมไหมเกลียมแล้วเนี่ยไอ้ผิวที่สุกเนี่ยเข้าไปข้างในและไอ้ผิวไอ้ผิวข้างนอกเนี่ยที่มันไหมไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนให้ที่มันไหมไปแล้วเป็นสีขาวและก็ไหมต่อแล้วก็เข้าไปข้างในไหมต่อเข้าไปข้างในไหมต่อเข้าเข้าไปข้างในอย่างนี้ซึมเข้าไปข้างในเลยไม่ใช่ว่าลอกออกทิ้งนะไอ้ที่ไหมนะเข้าไปข้างในแล้วไอ้ของที่ไหมอยู่เนี่ยเปลี่ยนให้เป็นสีขาวแล้วก็ไหมต่อ แสดงว่าไม่ต้องยกไปเปลี่ยนนะอย่างของเราเนี่ยไหม้ตุมต้องเลาะหนังทิ้งใช่แต่ถ้าเป็นไฟนรกลักษณะไฟนรกเนี่ยไหม้แล้วซึมเข้าไปในแล้ไอ้ของที่ไหม้อยู่กลายเป็นสีของใหม่แล้วก็พอไหม้เสร็จก็เข้าไปข้างในของไหม่ก็มามันก็คือพูดพูดว่าเนื้อที่อยู่ข้างในทั้งหมดจะกลายเป็นผิวหนังแล้วก็ไหม้ไปเรื่อยๆไหม้ไปเรื่อยๆไหม้ไปเรื่อยๆอ่าคราวนี้อบูฮาติมบอกวไหม้กัละกีครั้งรู้ไหมประมาณเจ็ดหมืนครั้ง เจ็ดหมืนครั้งโดนประมาณเจ็ดหมื่นครั้งต่อวันต่อวันวันละเจ็ดหมื่นเจ็ดมืนนะไม่อยู่งั้นแนหะเจ็ดหมืนคราดที่เนื้อสุกทุกครั้งอเราก็จะให้หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆหนังใหม่ก็จะมาหนังใหม่ก็มาจากหนังที่ไหม้นะั่นแหละกลายเป็นหนังใหม่แล้วก็ซึมเข้าไปเข้าไปอ่ะอันนี้อธิบายไว้แล้วนะถึงอาซาบิเอรูกุนอาซาบไิเฮที่ต้องทำเป็นแบบนี้เพื่อจะให้ลิ้มรสไงได้ลิ้มรสของการลงโทษ นะครับอินอัลลอฮะกานาอาซีดันฮากีมาอัลลอฮ์ทำได้ไอะที่พูดมาเนี่ยมนุษย์เราทําไม่ได้หรอกเอาคนไปนะไหม้เ่ะไหม้ทีเดียวไปไงตายดิ <laughs> ถ้าเราโดนโยนลงไปในกองไฟเนี่ยไหม้ทีเดียวแล้วก็ตายเลีเล้ยวเป็นเป็นแล้วก็ขนาด เ, เปลี่ยนผิวหนังปัจจุบันนี้นะยังทํายากเลยอย่างคนที่โดนไฟคอกอะ่ะโดนไฟคอกเป็นแผลหมดนะทั้งตัวเนี่ยจะเปลี่ยนผิวเนี่ยทำยังสมไมนี่ยังทําไม่ได้เลยทําไม่ได้นะ ต้องไปเลาะ ห, ห, หนังตรงไหนก็ไม่รู้ไปเลาะหนังตรงศีรษะเนี่ยตรงสะโพกเนี่ยเอามาแปะหนังเังทำไม่ได้เลยทนะุกวันเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเทคโนโลยีขนาดไหนถ้าแปะก็ไม่สวยเหมือนเดิมแหละเออนี่ถึงบอกว่าอันเนี้ยเอาลอสส่งปีชายาทําหนังใหม่ได้มนุษย์ยังทําหนังใหม่ไม่ได้นะทุกวันนี้ถ้าเกิดหนังตรงไหนเสียไปเนี่ยต้องหาหนังตรงส่วนอื่นมาแปะเพราะหนังใหม่ไม่ได้เลย อ๋อเดืองทรมารไม่ต้องเราไม่ต้องไปถึงนึกไปถึงนรกเราเอาเอาแค่เอาเอาน้ําร้อนลวกเราก็พอแล้วเอาน้ํามันกระดินเนี่ยแค่นี้ก็ไม่ไหวจะทรมารแล้วยังไม่ต้องไปถึงนรกหรอกใช่ไหมแค่ไอร้อนเนี่ยยังยังขนาดนั้นเลยนี่คือไฟล้อมรอบนะอ้าวต่อมาพอพูดถึงโทษตรงนี้พี่น้องจํานะเวลามีอายะไหนที่เกี่ยวกับ น, นรกขอดูอาอย่างไงขอให้เอาล็อกคุ้มครองเราว่าอียาซูบินและขอให้เราห่างไกลจาก จากอะไรจากลักษณะของคนแบบนี้คนที่ถูกลงโทษและเมื่อมีการลงโทษแน่นอนคนที่ทําดี ล, าล่ะเอารอก็ให้ผลบุญนี่ไงวันลดีนาอามานูและบรรดาผู้ที่ศรัทธาวาไมรุสสอฤฮาและประกอบคุณงามความดีพี่น้องจะเห็นว่าเงื่อนไขของการที่เป็นศรัทธาเนี่ยมันต้องประกอบด้วย ก, การทําความดีด้วยอ่าไม่ใช่ว่าฉันศรัทธาตอรอแต่ไม่ทําความดีอะไรเลยอันนี้ไม่ได้ว่ามัสศัทธาศรัทธาแค่ปากอ่ามันคู่กัน อิสลามกับอีมานเนี่ยถ้ากล่าวอันใดอันหนึ่งโดยที่ไม่ได้กล่าวแยกกันความหมายเดียวคือความหมายก็คือทั้งอิสลามและอีมานถูกไหมแต่ถ้าเป็นในฮะดีสที่พูดแยกอันนี้ความหมายจะต่างกันงงไหมแต่ในฮะดีสที่ยิบรีดมาสอนเนี่ยอมานกับอิสลามต่างกันเลยนะอีมานก็คือเรื่องหัวใจศรัทธาต่างๆเพะอิสลามคือการปฏิบัติแต่ถ้าเกิดมุสลิม ถามว่าคนเป็นมุสลิมเนะี่ยเขาอีหมานด้วยไหมต้องอิหมานดิมันอยู่ด้วยกันอีหมานกับอิสลามเนี่ยอยู่ด้วยกันถ้าพูดถึงมุมินถ้าพูดถึงมุมินก็ต้องเป็นมุสลิมอ่าถ้าพูดถึงมุสลิมก็รวมถึงผู้ศรัทธาเขา้าเข้าไปด้วยอ่าแต่ครนี้มันจะแยกระดับของกันว่ามุมินเนี่ยเขาจะมีระดับที่มากกว่าไม่ได้แปลว่ามุมินนั้นจะไม่ปฏิบัติอิสลามไม่ใช่มุมินก็ต้องรวมอิสลามเข้าไปด้วยนะครนี้ อาญาณี้พูดถึงการศรัท ธ, ธาและการปฏิบัติเมื่อศรัท ธ, ธาและปฏิบัติ sanudhakiluhum เดดมื่อกี้ s a u f a n u s l i h u m ใช่ไหมอันนี้ sanudhakiluhum ดดเราจะให้พวกเขาเข้าสู่สวงสวรรค์ d a r ์ล a ดไปว่าเก้าพนเข้าพมุมนะ j น n a d นะสวงสวรรค์ เตจรีในสวรรค์นเนี่ยมีแม่น้ําหลากหลายสายไหลยอยู่เบื้องล่างไหลอยู่เบื้องล่างคอรีดีนัฟีฮะอับาดาอยู่ในในอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในสวรรค์แบบตลอดการไม่มีการออกแล้วคอรีดีนัฟีฮะแปลว่าอยู่แบบตลอดการเข้าสวรรค์แล้วไม่มีออกอยู่แบบนั้นตลอดไปเลยนะครับละฮุมฟีฮะอัจวะจุมมุตาฮะรอ ซึ่งในนั้นพวกเขาจะได้รับคู่ครองที่บริสุทธิ์จะมีคู่ครองในสวรรค์ไม่มีใครเป็นโสนนะจ๊ะมีคู่กันหมดเลยจ้ะแต่ดุนยานี่มีคนเป็นโสนนะจ้ะอยู่ในสวรรค์ถ้าไม่มีเอนะเอเลบอกเลยว่าคู่ครองของเราเนี่ยจะเป็นคู่ครองที่มูตอคารา์สะอาดบริสุทธิ์ ครั้นี้เวลาพูดตรงนี้เขาจะพูดถึงผู้ชายอ่าจะพูดถึงผู้ชายแต่จริงๆผู้หญิงเขาก็มีคู่คอรองเหมือนกันนะมีคู่คอรองเหมือนกันรวมกันรวมรวมด้วยนั่นแหละแต่คราวนี้คําว่ามงต์ฮาร์เรเนี่ยอธิบายแบบไหนหนึ่งลักษณะที่บริสุทธิ์หนึ่งก็คือปราศจากประจำเดือนผู้หญิงในสวรรค์นี่เป็นผู้หญิงที่ไม่มีประจำเดือนเล้วในดุนยาปวดประจำเดือนบางทีเครียดไม่ต้องห่วงพอเข้าสวรรค์เรื่องพวงนี้ไม่มีอันที่สองเลือดหลังจากการคลอดบุตร อันนี้ก็ไม่มีเหมือนการสะอาดข้อบกพร่องต่างๆทางด้านจริยามารยาทจะไม่มีเลยจะไม่มีเลยสำหรับคนที่อยู่ในสวรรค์แปลว่าไม่มีเรื่องของหึงหวงลูกเดี๋ยว เ, ยเดี๋ยวมีแต่ใจเย็นจะจะมีลูกอ่ะ <laughs> ไม่มีข้อบกพร่องทางด้านมารยาทตรงนี้เป็นความเป็นมัฟูมุครารฟาส์นะแปลว่าสตรีบนโลกเนี่ยจะบอกว่า มารายาทแบบเขาเรียกว่ามันมไม่มีข้อบกพ้องเลยไม่มีหรอกมีทุกคนมีทุกคนถ้าเป็นผู้หญิงแล้วก็มีทุกคนนะแต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะอ่าแต่บางทีไอ้ตอนหลุดเดียมันมีคนบันทึกเอาไว้มันก็เลยเห็นนะเออนั้นเวลาจะหลุดอะไรเนี่ยดูให้ดีนะะหลุดอยู่ในบ้านไม่เท่าไหร่หลุดออกมาแล้วมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ตายเลยเสียหายหมดพ่อแม่ผัวเสียหายหมดทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั่นแหละ แต่มันจะต่างกันนะคืออย่างงี้ถ้าถ้าสมมุตินะผู้ชายแหกปากขอโทษขอครับกับผู้หญิงแหกปากเหมือนกันเนี่ยดูต่างกันนะผู้ชายบอกโอ้ยโอ้เสียงดั ง, ด, งดังเนี่ยเขาก็จะมองว่ากระบ้ชายไม่งั้นแหละแต่ถ้าผู้หญิงแปดหลอดบ้งคนละเรื่องเลยจะมองดูแย่มากเลยนะมันจะมองน่าเกลียดใช่ไหมมันต่างกันนะเออถึงบอกว่าสตรีเนี่ย มารยาทเนี่สําคัญเพราะพอพอมันพอมันแสดงอะไรเหมือนเหมือนผู้ชายปั๊บเนี่ยมันจะดูแย่ตําหนิมากกว่าถูกตําหนิมากกว่าผู้ชายผู้ชายจะมองว่าก็ไม่ดีและผู้ชายโวยวายมันก็ไม่ดีหรอกแต่ไม่เหมือนผู้หญิงโวยผู้หญิงโวยวายน่าเกียรติกว่าต้องระวังตรงนี้นะครับเอาต่อมาลักษณะไม่ดีทางด้านจริยามารยาทไม่มีเลยไม่มีหิงหวงไม่มีขี้หิงไม่มีอะไรเลยนะครับขี้บ่นอะไรไม่มีลักษณะที่ทําให้เกิดความบกพร่องต่างๆไม่ถูกเอาไว้ มจาฮิตบอกว่าไม่มีปัสสาวะไม่มีอุจจาระไม่มีเสมหะไม่มีน้ำลายและก็บุตรไม่มีลูกไม่มีลูกไม่ท้องไงพูดยังไงไม่มีท้องแล้วเพราะไม่มีประจำเดือนก็ไม่มีท้องไม่มีลูกแต่ลูกเนี่ยอลอจะให้ไงมีเด็กมีมีลูกเลยไม่ต้องไปท้องดีไหมเออมีลูกโดยไม่ต้องท้องน่ดีไหมในดุนยาไม่มีนะ ในดุนยาไม่มีนะมีลูกแล้วไม่ท้องเนี่ยแต่ในโลกหน้ามีลูกได้แต่ต้องไม่ไม่ท้องได้มีมีมีเด็กหมดเลยครับในในในในสวรรค์จะมีวินดานวินดานแปลว่าเด็กคนรับใช้แล้วก็เป็นเด็กอ่าถ้าเรามีลูกของเราอยู่แล้วเนี่ยเด็กคนนั้นก็จะเป็นเป็นคนรับใช้เป็นเด็กรับใช้แต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้มีลูกแม้ว่าไม่แต่งงานนะจะมีลูกอ่าแต่ลูกจะไม่ได้แบบ มามามาเลี้ยงแบบต้องเลี้ยงนะลูกไม่ได้มาให้เราเลี้ยงมาให้เรามีความสุขต่างกันนะมีลูกเนี่ยต้องเลี้ยงนะในดุลยเดียมันน้องหา่างงองแงเดิมซนแล้วเนี่ยลูกฉันเดิมซนละอันนี้บางทีก็ปวดหัวมัง่งเหนื่อยแต่มีลูกแบบไม่เหนื่อยอ่ยากมีไหมล่ะมีลูกแบบไม่เหนื่อยทําเลยนะก็เดี๋ยวไมีในสวรรค์ <c oughs> <c oughs> อ๋อเหรในดุนยาก็มีได้นะแต่ถ้ามันสุดเลี้วและไม่มีก็อัลลอฮ์ไม่ให้สูญเปล่าหรอกก็จะไปให้มีในในสวรรค์อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้แลว้วอ่าคือมันต้องช่างใจนะยะนะมีในดุนยาเนี่ยก็คือต้องสอบบัดอดทนเยอะๆคือไม่มีคําว่าเหมือนในสวรรค์หรอกแต่ถ้ามีในสวรรค์เนของดีทั้งนั้นเลยแต่บางคนรอไม่ไหวไงก็มีในดุนยาเลยเอ่ก็ต้องทําใจด้วย แต่มีดนตรีญญก็มีความสุขนะอ่าเราบอกต่อนะว่าในนั้นเนี่ยจะเป็นใต้ร่มเงาเนี่ยจะมีความเย็นสบายอยู่ร่มเงาตรงนี้คํวาว่าซินหลันวานุเดคิลูหุมเขาจะอยู่ในใต้ร่มเงาอันอันอันร่มเย็นมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งในสวรรค์ในสวรรค์เนี่ยมีอยู่ต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งอินนาฟีจันนาตีลาชะจารตัน มีต้นไม้พี่น้องเชื่อไหมว่ามีซอบ้าคนหนึ่งเนี่ยเป็นห่วงมากเลยท่านชอบม้ามากแกชอบม้ามากคือชีวิตจิตใจเนี่คืออยู่กับม้าได้ตลอดแหละขี่ม้าแล้วมันแล้วก็คนที่ขี่ม้าเราไปถามเขาดูนะคนที่ฝึกม้าเนี่ยคนมีสมาธิขี่ได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงขี่ได้ไม่เหมือนรถนะรถเนี่ยขับแล้วเบื่อนะแต่ขี่ม้าเนี่ยคนละเรื่องมันเหมือนกับแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับไอ้ม้าที่เราขี่เนี่ย เขามีความรักมากเขาไปถามนาบีบอกยาโรสุลลลอถ้าฉันเข้าสวรรค์เนี่ยจะมีม้าขี่ไหมจ้า <laughs> อยากขี่ม้าในสวรรค์นบีบอกว่ามีในสวรรค์ก็มีมา้าแต่ม้าไม่เหมือนดุนยานะมีปีกด้วยม้ามีปีกขี่ไปไหนไม่ต้องให้มันเหนื่อยเจ็บก้นมันบินเลยบินไปไหนตอนไหนได้เลยม้าในสวรรค์มีปีกนะมา้มาในดุนยาไม่มีปีกนะแต่อยู่ในการ์ตูน ล, ลูกฉันชอบดู <laughs> ในตัวอย่างคันนี้ต้นไม้ต้นหนึ่งและชยจรอตันนะครับมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเยาซีรุรอกิบต้นไม้เนี่ยความกว้างใหญ่ไปศาลของมันนะนะ <c oughs> ร่มเงาของมันเนี่ยคนที่เดินทางเนี่ยขีมข่ม้าขี่ม้าปะวบให้สุดแรงเลยขวบไม้ให้สุดแรงเลยนะใช้เวลาเมีย อ, อามใช้เวลาร้อยปีถึงจะพ้นเงาของต้นไม้ต้นนี้ ต้นไม้ต้นไหนเนี่ยต้นใหญ่มโหดานมากใช้เวลาหนึ่งร้อยปีควบม้าเร็วสุดร้อยปีถึงจะพ้นเงาของต้นไม้ต้นนี้นี่คือความใหญ่โตมโหดานนะของในสวรรค์ซึ่งเกินกว่าเราจะจินตนาการละยักอต้ออุหาแล้วในในในเอ่อขอโทษทีในนี้บอกว่าร้อปีเนี่ยยังไม่พ้นเงามันเลยไม่ใช่หมดพ้นนะร้อยปีเนี่ยยังไม่พ้นเงามันเลยละยะกอต้ออุหายังไม่พ้นเงาของมัน ชะญ ย, ยรติตัวนี้ชื่อว่าชะเยรตุลคุณต้นไม้ที่ชื่อว่าอัลคุนต้นไม้ในต้นใหญ่มากน ะ, อ, ะอีกอายะหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ลงละสรุปเรื่องของสวรรค์เซนิดนึงเป็นรางวัลคือนรกเราไม่ค่อยอยากแปลพราเราเพราะว่าพราเรานี่เราดูแล้วนะพราเร า, เร า, เรารเชราวสวรรค์เราทำดีแลขอดูอาไว้เลยขอดูอาไว้นะ เวลาพูดถึงสวรรค์เนี่ยให้เราขอดูอานะอ่าอย่าอย่าไม่บอกอิชชาอัลลอฮ์ไม่เอาพอบอกพอบอกถึงสวรรค์ขอดูอาให้เราได้ได้รับสวรรค์เออขอให้ได้สวรรค์นะอาเมนเออไม่ใช่อินชาอัลลอฮ์ตัวเราอยากอยากไปหรือเปล่าเนี่ยสวรรค์ <laughs> เออมันยังไม่ถึงกนาคตอแตถูกแล้วแต่ว่าให้ขอให้ขอให้เราได้ไงอาเมนคราวนี้สวรรค์อีกนิดนึงในสวรรค์ไม่มีคนโสดนะครับอันที่สอง เรื่องของสิ่งปฏิกูลไม่มีแล้วก็อายุนะครับอายุเนี่ยจะอายุเท่ากันหมดสามสิบสามปีโดยประมาณและหน้าก็เป็นเหมือนกับคนพึ่งถ้าเป็นเป็นหนุ่มก็พึ่งพ่งมีหนวดอะมีหนวดยิ้มยิมอะอายุมาสิบห้าสิบหกหน้าแบบนั้นเลยเรื่อมแตกเนื้อหนุ่มถ้าเป็นสาวก็กำลังนั่นเลยกำลังสวยเลยกาลังเป็นสาวเลย น, นี่คือลักษณะแล้วก็อยู่แบบนั้น ตลอดไปไม่มีคําว่าเหี่ยวไม่มีคําว่าแก่ไม่มีคําคว่ายน่นนะและทุกครั้งที่ลมสวรรค์พัดมาหน้าก็จะถูกเปลี่ยนบัวชั่นตลอดยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นนี่คือเดชานุภาพของอัลลอฮ์นะไม่ต้องห่วงในดุนยานี่เราแก่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรานะปล่อยวางบ้างนะแต่ในสวรรค์ไม่ต้องห่วงเราไปสวยกันในสวรรค์อ่าไม่ต้องบํารุงอะไรเลยนะทุกอย่างสว ย, สวยหมดดุนยาก็เครียดเหมือนกันแหละกี มันก็เครียดเหมือนกันแหละนะเพราะมันก็ต้องดูแลใช่ไหมให้สวยงามนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ที่สุดไงของความสวยงามเพราะความสวยงามของเราเดี๋ยวเราจะไปอีกทีหนึ่งในสวรรค์หรอะแต่ดุนยาก็ต้องดูแลนะไม่ใช่บางคนบอกฟังอาจารย์แบบว่าฉันปล่อยโสมเลยไม่ดูแลแล้วไม่เอาผู้หญิงเนี่ยอิมโนจอมร้อยเปรมสุดบอกว่าอย่าหยุดสวยต้องแต่งตัวเพื่อสามีมีจะหยุดสวยได้คือใครรู้ไหม คนที่ไม่มีสามีอยู่สวยได้เลยภรรยาของนบีเนี่ยหลังจากนาบีวาฟาดทุกคนตัดผมสั้นหมดเลยหนึ่งง่ายเวลาจามน้ํายกคดงคอดัด้ดสบายอยู่กับอีบาด้าแล้วไม่คือไม่ยุ่งอะไรแล้วภรรยานาบีก็ไม่ไม่แต่งงานเรื่องไงห้ามแต่งงานแล้วรอนบีเจอกันในสวรรค์ไ ม, ไม่ไม่ไว้แล้วผมยาวตัดผมสั้นเลยอแต่ถ้ายังมีสามีอยู่ต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีสวยเพื่อสามี แต่ถ้าไม่มีสามีแล้วก็ตามนั้นแหละนะปล่อยได้ปล่อยปล่อยเขาเรียกปล่อยปล่อยตัวได้นะแต่ถ้ามีสามีอยู่ต้องสวยไงต้องรักษาห้าสิบแปดนี่เกี่ยวกับเรื่องอื่นแล้วนะเปลี่ยนมวลแล้เกี่ยวเรื่องอามานะเรื่องอามานะอืม <laughs> ไม่เกินนะมีอยู่สามบทมีอยู่สามบทนะเรื่องต่ออัดนะเปรียบเทียบนะหนึ่งถ้าขึ้นบนผา น, น้าแล้วแล้วเขาเรียกขึ้นอูดแล้วเนี่ยผูสมุทรภรรยาเนี่ยขออนุญาตไปกับไปกับยอยอมารับยอมารับไปหน้าบ้านยออูดมารับภรรยาขึ้นไปบนอูดแล้วจะไปอยู่แล้วสามีบอกลงมาเข้ามาหาฉัน ต้องลงโอถ้าเป็นดาวก็โดนบ่นตายเลยอันที่สองอยู่หน้าเตาขนมมังขนมปังจะไหม้แลว้วอะปล่อยให้ไหม้มาหาสามีปล่อยเลยสุดผัดผัดข้าวอยู่วางกระทะอันที่สามอยู่บนขายอย่างจะคลอดลูกนี่อีกอดีตหนึง่งอยู่บนขายอย่างจะคลอดลูกเรียกตรงมา แต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเนอกเพราะาอะไรเป็นการเปรียบเทียบถึงความสําคัญบางคนบอกแบบนี้อัตตานตายแล้วจะคลอดลูกยังต้องเบี้ยงมันไม่ใช่พูดถึงความสําคัญเนี่ยสามเรื่องเลยแต่คลอดลูกนี่มันเกินไปหน่อยนะแต่มีพูดเอาไว้แต่น้ไม่รู้ฮะ ด, ดิสเนี่ยยังผมไม่ได้เช็คนะแต่เคยได้ยินมาเนี่ยที่ซอเฮียเนี่ยก็คือเรื่องของอยู่บนเตาอยู่ในครัวอยู่ในหน้าเตาถ้าอาหารมันจะไหม้ปล่อยไปเาาสา ม, มีเรียกอันที่สองบนภาชนะอันที่สมเนี่ยขายอย่างเคยได้ยินแต่ไม่รู้สถานะเป็นยังไง จะคลอนลูกเนี่ยสามีเรียกก็ต้องมาแต่ประเด็นก็คือว่าใครสามีที่ไหนมันจะเรียกตอนคลอนลูกถ้าเรียกได้มันกระใจมันก็สุดสุดแล้วจะเรียกทําไมถ้าเขาจะคลอนลูกแล้วแล้วก็ตอนทํากับข้าวเดี๋ยวจะเรีย ก, ยกเหรอถามเลยจะเรียกย ก, กันเหรอเออแต่พูดถึงความสําคัญไงทังนยาว่าสามีเนี่ยเมื่อออกคําสั่งปั๊บเนี่ยก็ต้องมาหรือตอบรับก็ได้นะมัน เรียกตรงนี้ก็หมายถึงตอบรับอะไม่ใช่นิ่งคือคือชีวิตจริงมันก็อีกเรื่องหนึ่งรอแป๊บชีวิตจริงเลยอีกเรื่องหนึ่งแต่ในหนังสือเขาเขียนไว้งั้นอ่าแล้วก็ต่อแปลแปลแบบเวอร์ชั่นหนังสือกับเวอร์ชั่นชีวิตจริงลองดูสิทอดปลาอยู่อ่ะเธอมาหนี่หน่อยไม่ได้ดูแล้วทําอะไรอยู่เฮเห็น่ไหม ทอดปลาอยู่จะกินไมป่ปลาจะกินไหมเออมันก็ต้องมีมโหกกันมากแหละคนเราอยู่ในครัวเนี่ยอย่าไปยุ่งเขาเรียกครัวนี่ยเขาเรียกโรคส่วนตัวผู้ชายเนี่ยบางทีไม่รู้เรื่องไปเกาะแกะไปจกแจ็คอุปกรณ์ของเขาเนี่ยโดนโดนเอ็ดเด๋เขาวางไว้ยังไงไว้งั้นแหละนะเขาเรียกเป็นพื้นที่ความสุขของสตรีเขาอยู่ในครัวทําอาหารทําอะไรบางทีหนักกว่านั้นติดแอร์ไว้ในครัวเลยสบายทํากับข้าวไปใช่ไมเย็น บางที่แอร์มีแอร์ด้วยในครัวอ่ะเดี๋ยวอ่านอีอายะาหนึ่งแนละ้วจบแล้วนะครับอีอายะาหนึ่งนะอินนัลลอฮยะมุรุกุมอัตูอดุลอมานะอมานาตีลลาอัลลิฮา وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن อินนันลลอฮะนิอิหมายังดุคุมบีอินลลอฮะนิอิมีอินนัลลอฮะคานาซามีแอมบาซีร่ นี่ก็คือเรื่องอามานะหลายๆคนอาจจะคุ้นถึงอาย่นี้นะอินน um ัลลอฮัยยะมุรุกุมแท้จริงอัลลอฮ์ได้ใช้พวกเจ้าให้มอบคืนตูอัดดูแปลว่ามอบคืนอามานาตีอามานะตรงนี้หมายถึงของฝากอามานะมีหลายความหมายมากเลยความหมายที่กว้างที่สุดก็คือบัญญัติศาสนาทั้งหมดเลยครับที่เราละมาที่เราใจสะกาศที่เราต้องทำดีกับย่อกับมะนี่คาว่าอามานะ อามานะหมายถึงศาสนาบัญญัติบทบัญญัติของอิสลามทั้งหมดเป็นอามานะซึ่งอัลลอฮ์เคยเสนอกับชั้นฟ้าเคยเสนอกับแผ่นดินมันไม่รับมีนบีอาดัมเรารับมาดันั้นจึงเป็นเหตุทําไมเราต้องละหมาดก็อายออายะเราคนแรกนบีอาดัมรับมามนุษย์รับมาแต่รับมาด้วยกับกับอะไรนะกับหน้าที่และเมื่อปฏิบัติตามหน้าที่นั้นอัลลอฮ์ก็จะให้สวรรค์สัตว์ เดรชาที่เราสร้างมาเนี่ยไม่ได้เข้าสวรรค์เป็นดินหมดแต่มนุษย์เราเนี่ยเมื่อมีอามานะในเรื่องของศาสนาบัญญัติเาลาเราให้รางวัล น, นะมีสวรรค์แต่ถ้าไม่ทำตามาก็ ก, ก็ลงนรกก็มีสองที่คราวนี้มีหะดิษบทหนึ่งบอกว่าให้มอบคืนของฝากอีลาอาลีฮาให้กับคนที่เอาของมาฝากคืออย่างนี้สมัยก่อนเป็นแบบนี้นะคือมันไม่มีธนาคารครับระบบธนาคารเนี่ยมาทีหลัง เวลาคนที่จะเดินทางไปไหนเนี่ยถ้าใครเป็นผู้รู้หรือเป็นคนที่เป็นคนมีสัจจะเนี่ยจะถูกรับฝากของนบีมุฮัมมัดเราเนี่ยของเต็มไปหมดอะ่ะเพราะคนมาฝากเต็มไปหมดเลยเพราะนบีเป็นคนซื่อสัตย์เวลาเขาจะเดินทางก็จะเอาทองมาฝากเอาของมีค่านะเอาทองเอาเพชรพลอยจินด า, ามาฝากแล้วก็เดินทางไปพอเดินทางกลับมาก็คืน เขเรียกว่ ด, ดีอาภาษาอาหรับเรียกว่ ด, ดีอาคือการฝากมีมีรางมีรางวัลไหมมี ม, มีต้องมีให้ตังคนที่เขาอามาฝากไหมจริงจริงมันผิดกันนะเราต้องให้เงินเขาเพราะเขารับฝากเราใจนี่ไอคนเอามาฝากงงไอคนเอามาฝากได้ตังงงคือจริงๆเนี่ยด้วยด้วย ป, ปกติเนี่ยเราเอาของไปฝากเขาเราก็ต้องมีสิน้ําใจเขาบ้าง ตูป้าเพราะาเขาดูแลซับให้เราแต่ตัวนี้มันกลับตลบตาดกลายเป็นว่าเฮ้ย <c oughs> คุณเอาขอมาฝากฉันดิผมให้เงินคุณงงเพราะว่าจริงๆรวัดดีอามันไม่สามารถเอาชับไปใช้ได้เลยครับถ้าเขาเอาขอมาฝากเราเราเอาใช้ได้ไหมไม่ได้แค่เราเก็บรักษาเองวัดดีอาแปลว่าเก็บรักษานะคราวนี้นบีบอกว่าอั ด, ดินอามานะอีลา mani ตามานักทามานัก จงคืนของฝากให้แก่คนที่ผู้ที่ให้ความไว้วางใจแก่ท่านจงคืนของฝากให้แก่คนที่ผู้ที่ท่านไว้วางใจและก็เวาลาตะคุดนะ่ยมันคอนาคาและจงอย่าทรยศคนที่ทรยศท่านงงไหมคืออย่างนี้ใครที่ทรยศเราเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทรยศเขาได้อย่างสมมุติเราเขาผิดอามานะเราพอวันหนึ่ง เขามาใช้บริการเราบ้างเราก็ผิดอามานะเขาอีกอันนี้อิสลามไม่สอนอิสลามสอนว่าอย่าเป็นคนเริ่มต้นที่จะไปผิดบิดพิ้วกับใครอันที่สองเมื่อเราถูกบิดพิวก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะถูกเราจะไปโกงเขาได้ไปบิดพิวเขาได้เออนี่ความความสอนที่สวยงามมากและก็ในเรื่องนี้เนี่ยยังรวมไปถึงเรื่องของ บ, บรรุตรบัญญัติต่างๆของศาสนาด้วยนะครับอัลลอฮ์ไม่อัลลอฮ์ไม่อะไรนะอัลลอฮ์ไม่ คืออัลลอ์เนี่ยเป็นผู้ทรงยุติธรรมมี h a ดิษบทหนึ่งบอกว่าในวันกยามะเนี่ยแม้กระทั่งแกะที่ไม่มีเขาจะได้รับความยุติธรรมคืนสิทธิ์จากแก่ที่มีเขาที่เคยทำร้ายมันอกีซอสนะขนาดแพะแก่ที่มันชนเขากันเนี่ยแล้วปรากฏว่าอีกตัวหนึ่งมันแพ้ เหที่มันแพ้เพราะว่าไอ้ตัวนั้นมีเขาสองขาอีกตัวนึงมีเขาเดียวสู้ไม่ได้ไอ้ตัวนั้นก็เลยโดนทำร้ายวันกิยามัตอลัลลอฮ์ก็ก่อดที่จะให้มันเป็นดินเน่ยก็ให้ไอ้ตัวที่มันถูกทำร้ายเนี่ยมาชนเอาคืนนี่คือความยุติธรรมเออนี่ขณาดสัตว์เนี่ยอลัลลอฮ์ยังให้ความยุติธรรมกับมันแต่ว่าไม่มีผลอะไรนะพอหลังจากนั้นก็ให้กลายเป็นดินเออแล้วมนุษย์เราล่า จ, จะเหลือไหมไม่เหลือถ้าไปโกงใครไปอะทํารรกับใครว่า เอาเราจัดการทั้งหมดขนาดสัตว์เนี่ยเดราชาเนี่ยมันทําด้วยสัญชาตญาณของมันแต่มันไม่ยุติธรรมไงเพราะว่าอีตัวหนึ่งมีเขาอีตัวหนึ่งเขามันสั้นกว่าแล้วไปแทงเขาก็เอาเราก็จัดการคืนสิท ต, ตรงนั้นอยายะนี้บอกว่าถูกประทานลงมาตอนไหนรู้ไหมคืนของอมานะเนี่ยวันที่นบีไปพิชิตมักกะปรากฏว่ามันมีมีชื่ออุสมานอิบเนี่ยต้อนฮะนบีก็หยิบลูกกุญแจกาบาไป คืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมานะคนดูแลแกุญแจกาบาเนี่ยผมไม่รู้ตระ ก, กูลอะไรแต่ว่าคนแรกที่ในสมัยนบีชื่อว่าอุสมานอิบเนูตันฮะหลังจากนั้นเขาก็ถูกมอบหมายในการดูแลกุญแจกุญแจเปิดประตูกาบาเข้าไปข้างในอะ่กะกษัตริย์ก็ไม่ได้ถือนะทุกวันเนี่ยเวลาท่านจะเข้ากาบาก็ต้องเรียกคนตระกูลเนี่ยมาเปิดประตูให้เปิดกุญแจให้ใส่คล้องกุญแจไว้ กคุเดียวเลยเพราะเหตุมาจากนาบีเนี่ยวันที่วันที่อะไรนะวันที่เข้าไปพิชิตมักกะเนี่ยนบีก็เรียกเอาคืนเอากุญแจมาก็คืออุษมานอิมูตอนฮะเสร็จแล้วนบีก็เอาไปไขแล้วก็เปิดเข้าไปในกาบาก็ทําลายจวเจวิตในนั้นมีจวเจวิตด้วยตอนนั้นนะเอาไปทําลายหมดเสร็จแล้วนบีก็ละหมาดในนั้นนะหลังจากออกมาแลว้วนบีอ่านอายะนี้ อินนัลลอฮัยยมุรุคุมอันตุอัดดุนอามานาตีอิลลัอัลิฮะนบีอ่าอายานี้ว่าอัลลอฮสั่งใช้ให้คืนของที่เขามาฝากเอาไว้คืนและนบีก็มอบกุญแจเนี่ยให้กับอุสมานอิมรินตอละก็แสดงว่าเขาเป็นเจ้าของกุญแจนบีก็ไม่ถือนบีก็คืนกุญแจให้ในในในนับซีฟุกซีบอกว่าเราไม่เคยได้ยินอาย่านี้มาก่อนเลย สแสดงว่าพิ่งลงมาตอนนั้นแหละตอนนี้นาบีเข้าไปไปเอาไปเอาไปไปไปเปิดไปเปิดประตูกาบ้านเนี่ยแต่ออกมาก็นบีก็อ่านอายานี้แล้วก็ส่งมอบกุญแจกาบ้านเนี่ยให้กับอุสมานอิมนุตอลฮขาขณะนาบียังไม่เก็บไว้เลยแล้วใครจะกล้าเก็บอะ่ะก็ต้องเป็นคนตระกูลนั้นนั่นแหละเก็บคนก็สืบทอดมาจนถึงปุจจุบันเนี้ยอ่าชื่ออุสมานอิมนุตอลฮะแล้วก็ไล่เรียงกันไปนะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันบนี้ไม่รู้ใครละแต่เป็นตระกูลหนึ่งแหละที่ถือ กุญแจกาบานะครับ อ, อิบนูอมัดอัลอ์คอนตอบอกว่าพอนบีออกมาจากกาบาก็อ่านอายานี้ซึ่งฉันไม่เคยได้ยินอายานี้มาก่อนต่อมาอาลัลลอฮ์บอกต่อว่าววอีลาฮากามตุ้มเมื่อพวกท่านตัดสินข้อขอให้ตัดสินใบดา น, นัสระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอันตะกูมูบินอัต จงตัดสินด้วยความยุติธรรมอินน ah ัลลอฮะนัอิมายะนีอิมมาขอโทษทีเนี่ยมันจะลืมเนี่ยเป็นกาส ร, รนะนี่อิมาหย่ายิโดกุมบีบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงแนะนําพระเจ้าด้วยสิ่งดีๆอินนัลลอฮะแกนัสะมีอัมบาซีรอแท้จริงอัลลอฮ์ได้ยินและเป็นผู้พูดส่งเห็นครานี้มีฮะดิษบทนึงบอกว่า อินนัลอฮามาลฮะกิมแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยทรงอยู่พร้อมกับผู้ทีตัดสินหมายถึงการรู้เห็นของอัลลอฮ์เนี่ยใครที่ทําการตัดสินเป็นศาลเนี่ยเป็นผู้พิพากษาเนี่ยอย่าให้รู้ไว้ว่าอัลลอฮ์ดูอยู่อัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ได้ยินต้องยุติธรรมอย่าตัดสินแบบเ อ, เอ็นเอียงมาแลมอ่ามาแลมอย่ายุด <c oughs> ตราบใดที่ไม่เอ็งเอียงไปจากความเที่ยงธรรม อัลลอฮ์จะอยู่กับคนนั้นช่วยเหลือคนนั้นคําว่าตรงนี้ก็หมายถึงช่วยเหลือเขาด้วยอัลลอฮ์จะอยู่ด้วยช่วยเหลือเขาเหมือนกับอัลลอฮ์อยู่กับผู้ที่อดทนนะนะแอาอยู่ช่วยเหลือเขาไฟอีดาจารอแต่เมื่อใดที่เขาเอ็นเอียงวกากะลาฮุลลออัลลอฮ์ก็จะปล่อยให้เขาประชิญกับอุปสรรคต่างๆโอ้ี่สําคัญนะถ้าเมื่อใดที่ตัดสินเอ็นเอียงไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยเขาก็จะเจอจะเจอกับปัญหาต่างๆแล้วอัลลอฮ์ไม่ช่วยด้วย จะก็จะโดนโดนบาลาต่างๆอะ่ะเออคือถ้าตัดสินด้วยกับความยุติธรรมเนี่ยแม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆที่มีเพศภัยมีอิทธิพลมืดต่างๆเอาเราจะดูแลคุ้มครองนบีบอกว่าอัลดาลูเยาหมินคนที่ตัดสินด้วยความยุติธรรมเพียงหนึ่งวันเนี่ยกาอิบะดาอัรบาอิสานะเท่าคนทําอิบาดาสีสิ บ, สะนะบาาปีโอ้โหนี่ผลบุญของคนที่ตัดสินด้วยความยุติธรรมหนงวันขึ้นพิพากษา ตัดสินด้วยความยุติธรรมเท่ากับคนเราทาอิบาดา้าสี่ิบปีนะตรงนี้อัลลอฮ์ใช้ให้มีความยุติธรรมนะครับอ่ายุติธรรมนะสําคัญมากในความยุติธรรมคือบ้านเมืองเราเนี่ยถ้ามันจะสงบสุขได้เนี่ยมันต้องมีศาลที่มีความยุติธรรมแต่ถ้า <laughs> พวกอีกพวกหนึ่งโท่หมดอีกพวกหนึ่งทําอะไรก็ไม่ผิดเลยเนี่ยไม่มีใครยอมรับแล้วนี้ก็วุ่นวายนะครับอันนี้พูดถึงหลักการศาสนานะหลักการศาสนา ส่วนในดุนยาแล้วก็แล้วแต่คุณก็ตัดสินกันว่ากันไปแต่ในศา ส, สนานต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสุบฮานะก็ลอฮุมมะอับบิฮัมดีกะอัชชาดูอัลลาฮิลาฮัยลาอัลลอฮ์อัลตัาฟิรุกะวะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮมัตุลลอฮฺวะบาระกะโต